ท่านกําลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนมส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์จะได้ไปเชิญรับฟังรายการบ้านเมืองหน้าอยู่ครับติดตามข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการในจังหวัดนครพนมในรายการบ้านเมืองหน้าอยู่เวลา 9:10 น. ถึง 10:00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม FM 90.25 MHz สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับรายการบ้านเมืองหน้าอยู่นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนมในระบบ FM ความถี่ 90.25 MHz รายการบ้านเมืองหน้าอยู่นะครับพบกับท่านผู้ฟังทุกวันพระฤหัสบดีครับ เวลา 9:10 น. ถึง 10:00 น. 10 น. 10 น. วันนี้ก็พบกันตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557 ผมพิธยาแสงรุ่งผู้ดําเนินรายการนะครับรายการบ้านเมืองหน้าอยู่นะครับก็เป็นรายการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมท่านผู้ว่าอดิศักดิ์เทพอาทแล้วก็ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านรองผู้ว่าคุมพลมั่นเถาทุกท่านรองผู้ว่าสมชายวิดํรงรวมไปถึงหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนครพนมนะครับก็จะได้ อ่าร่วมกันนําข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติราชการในด้านต่างๆมาพูดคุยให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันเอ่อสําหรับรายการบ้านเมืองหน้าอยู่ในวันนี้นะครับเอ่อก็จะมีประเด็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับโดยในช่วงแรกก็ได้รับเกียรติจากทางด้านคุณประภาศรบุญเทียมนะครับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการสํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนมนะครับซึ่งก็ได้รับมอบหมายจากทางด้าน ท่านเกษลและสหกรณ์จังหวัดนครพนมนะครับมาพูดคุยในรายการเกี่ยวกับเรื่องของแนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบนะครับต่อจากนั้นในช่วงที่ 2 นะครับก็จะนําท่านผู้ฟังไปพบกับทางด้านท่านสมนึกดีหะสิงห์นะครับผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนมนะครับวันนี้ท่านก็จะนําเรื่องของโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 นะครับแล้วก็แล้วก็เรื่องของอ่าพิธีมอบป้าย หมู่บ้านรักษาศิล 5 นะครับโดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชนะครับซึ่งจะมีขึ้นในวันจันทร์ที่ 29 กันยายนที่จะถึงนี้นะครับที่วัดพะทาดวรมะพระพนมวรมะมหาวิหารนะครับช่วงนี้นะครับนําท่านผู้ฟังไปพบกับคุณประภาศรบุญเทียมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการจากสํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนมเกี่ยวกับในเรื่องของแนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบครับ ค่ะอ่าก็ขอสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะดิฉันประภาศรบุญเถียมค่ะวันนี้อ่าได้รับมอบหมายจากท่านเกษตรกรสหกรณ์จังหวัดนครพนมซึ่งติดราชการนะคะอ่ามาพูดในหัวข้อแนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบนะคะก็จะขออ่านําไป ถึงนโยบายนะคะที่ที่มาของแนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบของประเทศสู่อ่าโลดแมปการพัฒนายางพาราทั้งระบบของจังหวัดนครพนมค่ะตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาตินะคะได้มีมติเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 นะคะได้เห็นชอบแนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบนะคะและ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้วเพื่อให้การดําเนินงานตามแนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบมีการขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพเกษตรกรได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วจึงขอความเห็นชอบนะคะแจ้งและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดําเนินการดังนี้ 1 นะคะมอบหมายให้เกษตรกรจังหวัดเป็นผู้ประสานการดําเนินงานในภาพรวม เป็นศูนย์กลางในการประสานงานประชาสัมพันธ์ติดตามการดําเนินงานเพื่อร่วมแก้ไขข้อขัดข้องต่างๆรวมทั้งรายงานผลการดําเนินงานในภาครวมต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะอ่าในส่วนที่ 2 ก็คือหม้อหมายสํานักงานสหกรณ์จังหวัดนะคะเร่งรัดดําเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยผ่อนปลนแก่เกษตรแก่สถาบันเกษตรกรจํานวน 2 โครงการประกอบด้วย โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพาราโครงการที่ 2 นะคะโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพาราในส่วนที่ 3 นะคะมอบหมายให้สำนักงานกองทุนส่งข้อการทําสวนยางประจําจังหวัดนะคะดําเนินการโครงการควบคุมปริมาณการผลิตโดยสนับสนุนโคนยางเก่า โครงการที่ 2 นะคะโครงการลดต้นทุนการผลิตโครงการที่ 3 โครงการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีแก่เกษตรกรโครงการที่ 4 นะคะโครงการผลิตเพื่อเสริมรายได้ในสวนยางพาราตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะตัวนี้คือหน่วยงานที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายเพื่อให้การขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพนะคะ ในส่วนของจังหวัดนครพนมนะคะอ่าในที่ประชุมอ่าศูนย์ช่วยศูนย์การช่วยเหลือการช่วยเหลือการผลิตอ่าช่วยเหลือการผลิตผลผลิตทางการเกษตรนะคะจังหวัดนครพนมท่านผู้ว่าได้มอบหมายให้คณะทํางานคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับยางพารานะคะไม่ว่าจะเป็น สำนักงานเกษตรสหกรณ์สำนักงานกองทุนส่งข้อกันทําสัญญาณสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนะคะสำนักงานเกษตรจังหวัดแล้วก็อ่าชุมนุมสหกรณ์ผู้ปลูกยางนะคะได้ร่วมกันอ่าจัดทําร่างแม่บทนะคะในการพัฒนาแนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบซึ่งในการทําอ่า ร่างแม่บทนะคะก็ได้กําหนดโรดแมปในการพัฒนาไว้อ่าทั้งหมด 5 กระบวนการนะคะซึ่งกระบวนการที่ 1 ก็จะประกอบไปด้วยกระบวนการผลิตนะคะอ่าส่วนที่ 2 กระบวนการแปรรูปอ่าส่วนที่ 3 กระบวนการจําหน่ายส่วนที่ 4 การบริหารจัดการของภาครัฐส่วนที่ 5 นะคะก็จะเป็นเรื่องของการ บริหารจัดการภาคประชาชนหรือเอกชนนะคะซึ่งในแต่ละอ่ากระบวนการก็จะมีแนวทางในการพัฒนาหรือมาตรการในการพัฒนาเอ่อแต่ละประเด็นย่อยลงไปอีกนะคะอ่าก็จะขอเริ่มที่กระบวนการแรกก่อนค่ะเอ่อสําหรับกระบวนการที่ 1 ในแนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบของจังหวัดนครพนมนะคะ ส่วนที่ 1 คือกระบวนการผลิตนะคะจะให้มีประสิทธิภาพโดยการเพิ่มศักยภาพความสามารถในการผลิตยางพาราต่อไร่และลดต้นทุนการผลิตตลอดจนกําหนดเขตพื้นที่ปลูกที่เหมาะสมลดพื้นที่ปลูกปรับเปลี่ยนปลูกพืชอื่นแทนในเขตพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมโดยมีมาตรการก็คือนะคะมาตรการที่ 1 กําหนดเขต ที่เหมาะสมกับการปลูกยางและลดพื้นที่ปลูกยางที่ไม่เหมาะสมให้ปรับเปลี่ยนปลูกพืชพืชอื่นทดแทนนะคะมาตรการที่ 2 ส่งเสริมการใช้ยางพันธุ์ดีเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงมีการเจริญเติบโตดีเหมาะสมกับพื้นที่ของจังหวัดอย่างเช่นนะคะอ่ายางพันธุ์ RIT 251 หรือ RIT408 แทนพันธุ์ยาง RIM600 มาตรการที่ 3 นะคะส่งเสริมการปลูกพืชแซมยางหรือปลูกพืชอื่นหรือไม้ยืนต้นร่วมต้นยางนะคะเพื่อเป็นการสร้างรายได้ก่อนการปลีดและเป็นรายได้เสริมในระหว่างการกรีดโดยนําพืชที่เป็นของดีในจังหวัดนครพนมเช่น ที่เป็นพืชแซมยางนะคะก็จะมีแตงโมสับปะรดพืชหรือไม้ยืนต้นร่วมร่วมการปลูกยางอย่างเช่นนะคะลิ้นจี่เนาะพอต้นสักต้นมะขามต้นพะยูงสําหรับแนวทางที่ 4 นะคะเป็นมาตรการที่ 4 อ่าจะเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการบํารุงรักษาการใส่ปุ๋ยบํารุงโดยสนับสนุนการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ซึ่งเป็นสูตรเฉพาะใช้ในพื้นที่ของจังหวัดนครพนมนะคะมาตรการที่ 5 เน้นการถ่ายทอดเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการกีดยางที่ถูกต้องนะคะตลอดจนการแปรรูปให้มีคุณภาพสอดรับกับความต้องการของตลาดมาตรการที่ 6 กําหนดแนวทางแก้ไขปัญหาการกีดยางที่ไม่ได้ขนาดนะคะเช่น มาตรการช่วยเหลือบางกรณีเฉพาะสวนยางที่กีดตามมาตรฐานมาตรฐานต้นยางเท่านั้นนะคะสําหรับอ่าเกษตรกรบางรายที่ดําเนินการกีดยางก่อนก่อนที่ต้นยางจะได้มีอายุและขนาดที่เหมาะสําหรับการกีดก็จะไม่ได้รับการช่วยเหลือนะคะในส่วนของแนวทางที่ 2 นะคะก็คือกระบวนการแปรรูป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนะคะและส่งเสริมการรวมกลุ่มการแปรรูปควบคุมการผลิตให้มีคุณภาพโดยผ่านสถาบันเกษตรกรและเพิ่มความสามารถในการแปรรูปยางพาราให้ตรงกับความต้องการของตลาดซึ่งจะมีมาตรการอยู่ 2 มาตรการค่ะมาตรการที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มแปรรูปผ่านชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางนครพนมจำกัด สหกรณ์กองทุนสวนยางเครือข่ายสถาบันสวนยางโดยสถาบันเกษตรกรเป็นผู้ควบคุมหรือแปรรูปผลผลิตให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาดส่วนมาตรการที่ 2 นะคะจะส่งเสริมสนับสนุนชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางนครพนมจำกัดสหกรณ์กองทุนสวนยาง เครือข่ายสถาบันเกษตรกรสวนยางที่มีศักยภาพศักยภาพในการแปรรูปยางเป็นผลิตภัณฑ์ยางยางแผ่นรุมควันยางแผ่นผึ่งแห้งยางครีบยางอัดแท่งนะคะยางอัดแท่ง STR 20 ส่วนแนวทางที่ 3 นะคะก็จะเป็นกระบวนการจําหน่าย จะมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มจำหน่ายผ่านสถาบันเกษตรกรเพื่อลดปัญหาความไม่ยุติธรรมในกระบวนการซื้อขายผลผลิตยางพาราโดยกำหนดแนวทางอ่ากำหนดมาตรการนะคะไว้ 3 มาตรการก็คือมาตรการที่ 1 ส่งเสริมการซื้อขายในระบบกลุ่มสนับสนุนชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางนครพนมจำกัด สหกรณ์กองทุนสวนยางเครือข่ายสถาบันเกษตรกรสวนยางนะคะให้มีการซื้อขายยางระหว่างผู้ประกอบการหรือโรงงานโดยการประมูลราคาหรือตกลงราคามาตรการที่ 2 ดูแลควบคุมผู้ประกอบการซื้อยางนะคะการขึ้นทะเบียนพ่อค้ายางเข้มงวดเรื่องตาชั่งการขนส่งที่ถูกต้องและก็ปลอดภัย ในส่วนของมาตรการที่ 3 จะส่งเสริมสนับสนุนให้ปกให้องค์กรปลูกคลองส่วนท้องถิ่นนํายางพาราที่ได้จากการผลิตของชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางนครพนมจํากัดนะคะสหกรณ์กองทุนสวนยางเครือข่ายสถาบันเกษตรกรสวนยางไปใช้ในโครงการพัฒนาต่างๆเช่นโครงการทําถนนยางมะตอยผสมยางพาราโครงการ พื้นปูสนามเด็กเล่นโครงการพื้นปูสนามส่วนแนวทางที่ 4 นะคะในส่วนของการบริหารจัดการภาครัฐจะเน้นให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้มีการบูรณาการมีความร่วมมือทั้งหน่วยงานการปกครองการเกษตรด้านพาณิชย์ตลอดจนสถาบันการศึกษานะคะ โดยมีแนวทางกระบวนการดําเนินการดังนี้นะคะส่วนที่ 1 ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมออกประกาศจังหวัดนครพนมที่เห็นสมควรตามมติของคณะกรรมการยางพาราจังหวัดนครพนมในส่วนที่ 2 ฝ่ายปกครองท้องถิ่นนะคะดําเนินการส่งเสริมสนับสนุนตามที่คณะกรรมการได้มีมติ และประชาสัมพันธ์ให้ผู้นําท้องถิ่นหรือผู้นําชุมชนที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่างๆนะคะนําไปปฏิบัติมาตรการที่ 3 นะคะให้สํานักงานอ่าให้สํานักงานกองทุนส่งข้อการทําสวนยางจังหวัดนครพนมนะคะให้ทุนส่งข้อปลูกพืชอื่นแทนที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจในจังหวัด เน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการปลูกการดูแลตลอดจนการกรีดและการแปรรูปอย่างถูกวิธีดูแลด้านคุณภาพการผลิตการตลาดประมูลยางและตลาดประมูลยางอิเล็กทรอนิกส์นะคะสำหรับอีกแนวทางหนึ่งนะคะก็คืออ่าองค์การสวนยางนะคะฝ่ายโรงงาน 6 ที่อ่าตำบลหนองศาลายนะคะ อำเภอท่าอุเทนนะคะจะให้ดูแลในเรื่องของการรับซื้อผลผลิตหรือรับแปรรูปผลผลิตตลอดจนสนับสนุนการแปรรูปผลผลิตเป็นยางเครปหรือยางแท้ยางอัดแห้งจากชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางนครพนมจำกัดสหกรณ์กองทุนสวนยางและเครือข่ายสถาบันเกษตรกรสวนยาง ในส่วนของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนมนะคะจะเน้นการให้บริการด้านวิชาการเกี่ยวกับการอ่าปลูกยางพาราคิดค้นทดลองสูตรปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินในพื้นที่จังหวัดนครพนมนะคะเพื่อสนับสนุนอ่าแนวทางการพัฒนายางทั้งระบบส่วนสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนมนะคะจะเน้นให้สนับสนุนข้อมูลพื้นที่การปลูกยาง การเผยแพร่วิชาการทางด้านการเกษตรการสนับสนุนปลูกพืชแซมหรือพืชอื่นหรือไม้ไม้ร่วมยางหรือพืชแทนยางนะคะควบคุมการจําหน่ายปุ๋ยให้มีคุณภาพและราคาที่เป็นธรรมสําหรับหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีความสําคัญก็คือสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนครพนมนะคะจะกําหนดพื้นที่ปลูกยางที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมในเขตจังหวัดนครพนมนะคะ อ่าแน่ตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเรื่องของโซนนิ่งค่ะในส่วนของภาครัฐอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะหรือ ธ.ก.ส. จะเป็นแหล่งเงินทุนและเป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุนของชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางนครพนมจำกัดสหกรณ์กองทุนสวนยางเครือข่ายสถาบันเกษตรกรสวนยางนะคะ ในส่วนด้านการตลาดนะคะจะเน้นในเรื่องของมอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนมประสานงานกับคู่เจรจาทางการค้าเพื่อหาตลาดส่งออกใหม่ๆประสานงานกับสำนักงานการค้าภายในเพื่อหาผู้ซื้อยางไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางภายในประเทศประกอบกับอ่าตรวจเรื่องเกี่ยวกับ อ่าเครื่องตวงวัดนะคะตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรงของตาชั่งในการอ่าชั่งน้ําหนักส่วนสถาบันเกษตรกรนะคะที่เป็นชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางนครพนมจำกัดอ่าที่เป็นกลุ่มสหกรณ์ที่เป็นผู้ผลิตนะคะก็จะเน้นในเรื่องของการอ่ารวบรวมยางจากเกษตรกรนะคะ เพื่อส่งต่อไปให้ยังกับโรงงานแปรรูปของ อสย. นะคะโรงงานที่ 6 ที่หนองสะลายเพื่อแปรรูปเป็นผลิตทะพันยางคุณภาพนะคะซึ่งเขาสามารถที่จะอ่าผลิตยางคุณภาพได้ปีละประมาณ 20,000 ตันนะคะอ่าแปรรูปยางเป็นยางคุณภาพยางอัดแท่ง STR 20 เพื่อส่งออกนะคะ ในส่วนของหน่วยงานภาครัฐที่สําคัญอีกหน่วยนึงก็คือมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนครพนมนะคะจะเป็นหน่วยงานในการศึกษาวิจัยและให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการดําเนินการด้านพัฒนายางพาราทั้งระบบนะคะอ่าส่วนทั้งหมดที่กล่าวมานี้จะเป็นในเรื่องของกระบวนการบริหารจัดการของภาครัฐในการอ่าขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบของจังหวัดนครพนมนะคะ อ่าส่วนแนวทางที่ 5 จะเป็นการเน้นการบริหารจัดการภาครัฐและภาคประชาชนนะคะเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการใช้ผลิตยางในในท้องถิ่นการรวมตัวจัดตั้งเป็นสถาบันเกษตรกรที่มีความเข้มแข็งอ่าส่งเสริมภาครัฐส่งเสริมภาคเอกชนให้มีความเป็นธรรมในการรับซื้อ ผลผลิตและควบคุมการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการซื้อยางพารานะคะโดยให้ภาคประชาชนให้การสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ยางพาราที่ผลิตในจังหวัดนครพนมสําหรับภาคเกษตรนะคะก็คือประชาชนทั่วไปอ่าเน้นการรวมกลุ่มการเป็นชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางนครพนมจํากัด รวมตัวเป็นสหกรณ์กองทุนสวนยางหรือเป็นเครือข่ายสถาบันเกษตรกรสวนยางนะคะส่วนภาคผู้ประกอบการโรงงานพ่อค้าผู้รับซื้อยางในจังหวัดนะคะจะเน้นให้มีการจดทะเบียนผู้ซื้อขายยางมีใบอนุญาตค้ายางอ่ามีการรับซื้อยางในราคาที่เป็นธรรมค่ะในที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะจะเป็นเกี่ยวกับ แนวทางการพัฒนายางพาราทั้งระบบของจังหวัดนครพนมนะคะซึ่งคณะทํางานได้ทําเป็นร่างแผนแม่บทแล้วก็มี Roadmap แล้วก็แนวทางการพัฒนายางพาราเพื่อนําเสนอต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนะคะซึ่งจะให้ความความเห็นชอบในแนวทางดังกล่าวแล้วก็จะนําสู่การปฏิบัตินะคะอ่า ในส่วนของการแก้ไขปัญหายางพาราของจังหวัดนครพนมในระยะเริ่มต้นนะคะเรื่องก็คือเร่งด่วนเลยก็จะมีการอ่าเนื่องจากว่าจังหวัดนครพนมเรามีอ่าโรงงาน 6 นะคะขององค์การส่วนยางนะคะที่แปรรูปยางเป็นยางอัดแท่ง STR 20 เพื่อส่งออกนะคะซึ่งในส่วนของโรงงานเองมีกําลังการผลิตประมาณ 20,000 ตันต่อปีนะคะ เพื่อผลิตเพื่อแปรรูปยางพาราเป็นยางอัดแท่ง ATR 20 ส่งออกนะคะก็จะเป็นผู้รับซื้อยางจากอ่าชุมนุมสหกรณ์ที่เป็นผู้รวบรวมน้ํายางนะคะหรือยางก้อนต่างๆอ่าจากเกษตรกรให้ส่งไปที่โรงงาน 6 นะคะเพื่อแปรรูปอ่าเป็นยางอัดแท่งในเบื้องต้นนะคะ <โ ฮ. S 1> ซึ่งจะเน้นให้ชุมนุมสหกรณ์นะคะเป็นผู้รับซื้อยางจากเกษตรกรในราคาที่เป็นธรรมนะคะซึ่งในระดับอ่าเริ่มต้นนี้น่าจะเป็นการอ่าช่วยในการพยุงราคาของยางพาราที่เกษตรกรที่จะได้รับในการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นก่อนค่ะค่ะสําหรับดิฉันก็มีอ่าแนวทางในการพัฒนายางพารา ทั้งระบบของจังหวัดนครพนมที่จะมาชี้แจงแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะพี่น้องชาวจังหวัดนครพนมที่เคารพกับกระผมนายอภิศักดิ์เทพอาจผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมขอเชิญชวนนะครับร่วมแต่งกายด้วยชุดภาพพื้นเมืองมีผ้าเฉเหลียงบ่าในประเพณีตักบาดข้าวเหนียวเนื่องในเทศกาลและวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวครับเพราะว่าวันนี้จังหวัดนครพนมเรามีต้นจุดการท่องเที่ยวอยู่แล้วทั้งในเรื่องของแม่น้ําคงที่สวยสดงดงามแล้วก็เชิญชวนให้ผู้คนเข้ามาท่องเที่ยวมาศึกษาการเที่ยวชมประเพณีของจังหวัดนครพนมเรามีองค์พระธาตุพนมที่ศักดิ์สิทธิ์ขอเชิญชวนนะครับให้ร่วมกันอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีแบบดั้งเดิมของชาวนครพนมให้คงอยู่สืบไปครับ แต่ใกล้ความดีมีประทัดขาลามทำเรื่องร้องจังหวัดนครพนมร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมและเทศบาลเมืองนครพนมขอเชิญเสียวงานประเพณีแห่เรือไฟและงานกาชาติจังหวัดนครพนมประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 1 ถึง 9 ตุลาคม 2557 บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโพงและเขตเทศบาลเมืองนครพนม และบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนมพบกับมหกรรมหลายเรือไฟอันสวยงามการแสดงผลิตภัณฑ์สินค้าและศิลปะวัฒนธรรมไทยลาวเวียดนามการแข่งขันเรือหญ้ามิตรภาพไทยลาวและมหกรรมทรายนําโพงมหาทารามนต์ตรานครพนมพร้อมมหรสพมากมายหมอลําสิงห์คอนเสิร์ตสนุกสุดใหญ่คาราวานสินค้าราคาถูกจากโรงงานอย่าลืม วันที่ 8 ตุลาคมช่วงเช้าตื่นตากับการรำบูชาองค์พระธาตุพนมจากสาวงามทั้ง 7 เผ่าที่ลานนาวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารยามแรงตื่นใจกับขบวนเรือไฟที่ยิ่งใหญ่อลังการเหนือลําแม่น้ําโขง 1 ถึง 9 ตุลาคมชมจันทร์เต็มดวงฮวงผู้สาวเที่ยวงานไหลเรือไฟและงานกาชาติจังหวัดนครพนมเด้อเชิญที่ไปเที่ยวเล่นนครพนมเบิ่งจัก ต้องเชื่อคำน้องสาวนครผิวเลืองอ่อนดังคุณผู้ฟังกําลังติดตามรับฟังรายการบ้านเมืองหน้าอยู่นะครับรายการที่นําเสนอข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดนครพนมครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมท่านผู้ว่าอดิศักดิ์เทพอาทท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดนครพนมนะครับในช่วงที่ 2 จากนี้ไปนะครับ ท่านท่านผู้ฟังไปพบกับทางด้านผู้อํานวยการสมนึกดีหะสิงห์นะครับเอ่อผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนมท่านก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการหมู่บ้านรักษาศีลนะ 5 นะครับแล้วก็เอ่อพิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 โดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชในวันที่ 29 กันยายนนี้นะครับที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารครับ สวัสดีครับท่านพี่น้องชาวจังหวัดนครพนมที่เคารพทุกท่านวันนี้กระผมนายสมฤทธิ์ดีหะสิงห์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนมได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมท่านอดิศักดิ์เทพอาจให้มาออกรายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนมในเรื่องบ้านเมืองหน้าอยู่ซึ่งในวันนี้ จะได้พูดถึงการดำเนินงานของโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ของจังหวัดนครพนมซึ่งในวันที่ 29 กันยายนเวลา 13.00 น. น, 13. น. น. ทางคณะสงฆ์จังหวัดนครพนมโดยท่านเจ้าพระคุณพระเทพวรมุนีเจ้าคณะจังหวัดนครพนมและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมโดยท่านอดิศักดิ์เทพอาจ ได้ทําพิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในพื้นที่เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 10 จํานวน 1,000 หมู่บ้าน 6 จังหวัดขึ้นที่วัดพทธาตุพนมวรมหาวิหารอําเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมประกอบด้วยจังหวัดนครพนม 400 หมู่บ้านจังหวัดศรีสะเกษ 150 หมู่บ้านจังหวัดอุบลราชธานี 150 หมู่บ้าน จังหวัดยโสธร 150 หมู่บ้านจังหวัดอำนาจเจริญ 100 หมู่บ้านและจังหวัดมุกดาหาร 150 หมู่บ้านในการนี้ท่านเจ้าคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชจะเดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจเป็นประธานในพิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 ตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายด้านสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแก่หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการและผ่านการคัดเลือกในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 10 ซึ่งนับว่าเป็นมงคลกับชาวจังหวัดนครพนมทุกคนและชาวจังหวัดทั้ง 5 จังหวัดที่ได้กล่าวมาแล้วซึ่งคณะสงฆ์ผู้ใหญ่ได้ให้ความเมตตากับชาวจังหวัดนครพนมในครั้งนี้ การนำศีล 5 ไปปฏิบัติในกับให้กับตนเองและครอบครัวจะทําให้ทุกคนในครอบครัวมีแต่ความสุขกายสุขใจไปตลอดชีวิตจึงขอให้ทุกคนในจังหวัดนครพนมพบแต่ความสุขกายและสุขใจในชีวิตตลอดไปและขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนมที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ ให้เวลาในการออกอากาศในครั้งนี้และขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนที่อำนวยความสะดวกให้กับการจัดในการในครั้งนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญทุกคนตลอดไปด้วยครับสวัสดีครับพี่น้องชาวจังหวัดนครพนมที่เคารพครับกระผมนายอภิศักดิ์เทพอาจผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม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 ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนมประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 1-9 ตุลาคม 2557 บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงและเขตเทศบาลเมืองนครพนมและบริเวณสาระกลางจังหวัดนครพนมพบกับมหกรรมไหลเรือไฟอันสวยงามการแสดงผลิตภัณฑ์สินค้าและศิลปะวัฒนธรรมไทยลาวเวียดนาม การแข่งขันเรือย่ามมิตรภาพไทยลาวและมหกรรมสายน้ําโพงมหาทารามนต์ตรานครพนมพร้อมมหรสพมากมายหมอลำสิงห์คอนเสิร์ตสนุกชุดใหญ่ทารวานสินค้าราคาถูกจากโรงงานอย่าลืมวันไหลที่ 8 ตุลาคมช่วงเช้าตื่นตากับการรำบูชาองค์พระธาตุพนมจากสาวงามทั้งเก็บเผ่าที่ลานหน้าวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารยามแรง ตื่นใจกับขบวนเรือไฟที่ยิ่งใหญ่อลังการเหนือลําแม่น้ําโขง 119 ที่หลักโขมชมจันทร์เต็มดวงฮวงผู้สาวเที่ยวงานไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนมเด้อเชิญพี่ไปเที่ยวเล่นนครพนมเบิ่งจักคือลองเชื่อคําน้อง സമരഫായി സവൈ ത മൈനോ ഫൈമൈലും เรือไฟจึงได้พบผู้พันฝากใจมันตายประจันเพ็ญนู 재미 gern experiences filt 높은 hoc Inshaire Wildood! cliffs Principal Michael.HAAIC!스입니다. morph flats. Hoos bus 조정맥öy!와ith Atl Hanulla ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมและเทศบาลเมืองนครพนมขอเชิญเที่ยวงานประเพณีหลายเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนมประจําปี 2557 ระหว่างวันที่ 1 ถึงระระระ 9 ตุลาคม 2557 บริเวณริมฝั่งแม่น้ําโขงเขตเทศบาลเมืองนครพนมและบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนมพบกับพิธีรําบูชาพระธาตุพนมมหกรรมไลเรือไฟอันสวยงามการแสดงผลิตภัณฑ์สินค้าและศิลปะวัฒนธรรมไทยลาวเวียดนามการแข่งขันเรือยามิตรภาพไทยลาว และมหกรรมสายน้ําโขงมหาธารามนต์ตรานครพนมพร้อมมหรสพมากมายหมอลําซิ่งคอนเสิร์ตสนุกสุดใหญ่คาราวานสินค้าราคาถูกจากโรงงาน 1-9 ตุลาคม 2557 นี้เที่ยวงานประเพณีหลายเรือไฟและงานกาชาติจังหวัดนครพนมประจําปี 2557 ไปเล่นนครพนมกับน้องบอยอยากให้อ้ายไปป้อแล้วสาวน้อยหนอผู้ไทยอีสานใกล้บ่แพ้แต่ใจให้นาง നാം കിമസം ไอ้สุขสันต์นครพนมเมืองมามีพระธาตุ 50000 เมืองระบือทั่วดินทั้งแเทไทยกราบบ่ายขอพรสวรรค์ ระเมเพพระทาช่วยคนดีคุ้มสารสรสมดํารใจคนชีวิตวันวันในความดีเมืองชายแดนห่างไกลกล้ําสุดล้า മൈത്രി മോം മതിജി നമുദ് നിര മ പ്രക പ്രിൻ <binhivazo> മോം <San> <San> <San> <San> <San> <San> <San> <San> ผู้ฟังกําลังติดตามรับฟังรายการบ้านเมืองหน้าอยู่นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนมในระบบ FM ความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งวันนี้นะครับรายการบ้านเมืองหน้าอยู่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมท่านก็ได้อ่ามอบหมายให้ทางด้านสํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนมแล้วก็ทางด้านสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนมนะครับก็ได้นําเรื่องที่น่าสนใจนะครับมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังกันครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ อ่าแนวทางการพัฒนาอย่างภาราทั้งระบบนะครับแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับโครงการหมู่บ้านรักษาศิล 5 แล้วก็พิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศิล 5 นะครับโดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระเจ้าพระพระคุณเสด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชนะครับซึ่งก็จะมีพิธีมอบกันในวันจันทร์ที่แล 29 กันยายนที่จะถึงนี้นะครับซึ่งผู้ฟังก็ได้รับทราบ เนื้อหาเหล่านี้ไปครับจากทางด้านของรายการบ้านเมืองหน้าอยู่นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่ดีๆมีประโยชน์แล้วก็มองเห็นแนวทางการนําศาสนามาพัฒนาจังหวัดนครพนมนะครับแล้วก็นําในเรื่องของแนวทางการบูรณาการหลายหน่วยงานนะครับสําหรับที่จะทําให้การพัฒนาอย่างภาระทั้งระบบนั้นเดินหน้าต่อไปอย่างมีความยั่งยืนนะครับสําหรับเอ่อวันนี้นะครับรายการบ้านเมืองหน้าอยู่ก็ต้องขอบคุณนะครับทางด้าน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนมผู้อำนวยการสมนึกดีหัตถ์สิงห์นะครับรวมไปถึงทางด้านคุณประภาศรบุญเทียมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนมนะครับที่ได้นําเรื่องราวเหล่านี้มาพูดคุยในรายการนะครับแล้วก็รายการบ้านเมืองหน้าอยู่นะครับก็ต้องขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการบ้านเมืองหน้าอยู่นะครับวันนี้เราขอผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับ พบกันใหม่ในวันพฤหัสบดีหน้าในเวลาเดิมนะครับ 9:10 น. ถึง 10:00 น. วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ം ജ רוצ disappointment from risks with such aims it ཁ만 אымตรอด Administration മൈൻ ลงทุนตัวคนห่วงตลอดทางจังหวัดนครพนมร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมและเทศบาลเมืองนครพนมขอเชิญเชิญงานประเภทนี้หลายเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนมประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 1 ถึงระระระ 9 ตุลาคม 2557 วันนี้ที่ 8 ตุลาคมช่วงเช้าตื่นตากับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมง รู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์